ทำไมจึงอะไรแฟนบางคนมากถามผมเคยมีแฟนหลายคนบางคนรู้สึกอะไรอววรหรือใจหายตั้งแต่ได้ยินเสียงหรือเห็นเขามายืนอยู่เหมือนเป็นลาสังหรณ์ว่าอีกไม่นานจะต้องจากกันพูดง่ายๆว่าเศร้าอยู่ในส่วนลึกตั้งแต่ยังอยู่ด้วยกันแล้วในที่สุด ก็ต้องจากกันจริงๆด้วยเหตุบีบคั้นหลายต่อหลายด้านบางทีรู้สึกรักมากแต่ขณะเดียวก็แค้นมากด้วยส่วนแฟนคนอื่นๆแม้คบแล้วต้องจากกันก็ไม่ได้มีอารมณ์เป็นบวกเป็นลบรุนแรงหรือยืดเยื้อนักอยากทราบว่าเรื่องทนองนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับหากคิดว่าเป็นบุญเก่าที่ทำร่วมกันมามากในอดีตชาติก่อให้เกิดสายใยผูกพันแน่นเหนียว ก็ไม่เห็นว่าบุญที่ทาร่วมกันจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ตลอดไปแต่อย่างใดเลยตอบการเคยอยู่ร่วมกันหนึ่งการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเป็นเหตุที่มาของความรู้สึกรักรู้สึกผูกพันอะไรรู้สึกสนิทแน่นแฟน้นหากเคยอยู่ร่วมกันด้วยดีด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยการชักชวนกันทำดีเราชาตินี้มาช่วยเหลือเกือ้อกูลให้เห็นใจกันในยามยากหรือส่งเสริมให้ได้ดีมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นเข้าไปอีกก็ย่อมรักมากผูกพันลึกซึ้งมากเทาว่าที่จะอยู่กันแล้วมีแต่ดีกับดีไม่ค่อยจะเป็นไปได้จริงสักเท่าไรหรอกครับส่วนใหญ่เคยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันแบบเครื่องดีเครื่องร้ายและบางที แม้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้พ้นจากสถานการณ์ยากลำบากแต่ก็อาจสลับบททำตัวเป็นสถานการณ์ยากลำบากให้แก่กันและกันเสียเองนี่ล่ะครับประมาณนี้แหละถ้าเคยดีต่อกันมากเคยอยู่ร่วมบุญกันอย่างเป็นสุขยิ่งแต่ก็เคยร้ายต่อกันมากเคยพรากจากกันด้วยเหตุผลอันน่าเศร้าหมองเช่นนอกใจหรือฆ่าแกงกัน เมื่อพบกันอีกครั้งอาจซึ้งใจและอยากแต่งงานครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์แต่ขณะเดียวกันก็สังหอนประหลาดว่าจะไม่อาจอยู่ด้วยกันตลอดไปสังหอนอันเกิดจากความเครื่องหลับเครื่องตื่นของมนุษย์ทำนองนี้มับเป็นที่มาของความหวงแหนรุนแรงระแวงจนอีกฝ่ายกระดิกตัวทำอะไรไม่ถูกจับผิดไปหมด กระทั่งที่สุดความหึงสาพยาบาทก็กลายเป็นชนวนความแตกร้าวเสียเองวนไปก็เวียนมากลับหัวกลับท้ายกันอยู่อย่างเนี้ยบุญอันเกิดขึ้นจากกรรมสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเช่นร่วมกันคิดร่วมกันทำเรื่องดีๆอย่างไรก็เป็นเหตุดึงดูดเป็นเหตุเหนียวรั้งให้ติดอยู่ด้วยกันอย่างเหนียวแน่น ผลบุญจะก่อให้เกิดอัธยาศัยในทางเดียวกันประทับใจกันหรือร่วมประทับใจสิ่งดีๆ ด, ด้วยสายตาระดับเดียวกันบุญจะไม่ส่งแรงผลักสออกจากกันเลยแต่คู่ไหนบ้างอยู่ด้วยกันแล้วเอาแต่ทำบุญอย่างเดียวแค่คิดไม่ดีพูดไม่ดีต่อกันแบบขิงก็ราขาก็แรงเท่านี้ นับว่าทําบาปร่วมกันอย่างหนักแล้วคู่รักโดยมากจึงครึ่งครึ่งระหว่างเป็นคู่บุญกับคู่บาปบุญแรงทำให้รักแรงบาปแรงทำให้เกลียดแรงสำหรับแฟนหลายคนที่คุณรู้สึกเหมือนเพื่อนไม่เป็นบวกเป็นลบรุนแรงก็สะท้อนว่าอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันหรือเคยร่วมบุญร่วมบาปในระดับปานกลาง ไม่ได้จากกันด้วยความสะเทือนอะไรฝังใจมากนักสายใยความผูกพันจึงแบบบางเมื่ออยู่ร่วมกันแบบเพื่อนและจากกันแบบเพื่อนจึงไม่ทิ้งแผลแบบวาบหวามกัดหัวใจลึกนักจะออกทำนองเพื่อนชายเพื่อนหญิงงอนกันเลิกคบกันแล้วเฉยเฉยชาชาไปมากกว่าเมื่อโคจรมาพบกันอีกจึงเฉยเฉยอีกเช่นกันครับ